ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย 5 ของผมแล้วท่าน ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์ มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักพระธรรมคําสั่งๆการตาย นี่ไปใช้คําว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านนั้นหลายจะคิดว่าผมโอ้อ่อุตริมนุษยธรรมว่าพระพุทธเจ้าทนิพพานไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหน จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่าน เนื่องว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ สวยสดงดงามสดงดงามมีความวิจิตรการ <c oughs> ค่ำจับใจจริงๆสําหรับวันนี้แล้วก็มาพูด นั่นก็ได้แก่อาศัยมรรค 8 ประการคำว่ามรรคติแปลว่า 1 สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นหน้าอริยสัจ 4 เห็นยังไงเห็น 4 เหเหท่านบรรทุกอ่าแล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบี้ยมันเลยว่าตั้งแต่วันเกิดเอา อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกิวิสัยใช้กําลังใจที่ โสกะปรีธีวะทุกขะโทมนัสสุภาญาญาติความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึด โดยใช้มรรคฏิปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนําพิจารณาเห็นตัวทุกข์ สงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็น จงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือปฏิวัฏธรรมอารมณ์ใจทรงในในมหาธิปัตถานะโสตะ 4 ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาครบ ตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่น การดำรงค์ออกจากกรรมก็ คือยอมรับรับถือความจริงของมันไม่ยึดฝืนความจริงมันสุขทุกข์จริงรู้ว่าสุขทุกข์จริง ในอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกคตารมดํารินี้อันที่จะไม่ นมีบรมีสิบจรณะ 15 มีบารมี 10 ละ pega o p e a ch t a d a m h a y a p a on o n s h a r m th a n if you show him something if you can't climb him as well and find himself at a point of view because he hands me back down don't really like anybody with him and if 3 สัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้น แล้วก็วาจาทําลายประโยชน์ทําให้คนอื่นเสียเถื่อนใจที่นินทาคนโน้นนินทาคน เป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลมาถึงปากทั้งตัวเรานินทาว่า เป็นนบวาจาชอบก็ต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตาม นิสัมมากัมมันตะทํากายงานชอบคือนั้นบอกว่าเว้นจากกายทุจริต 1 คือหาฐานทําลายทุกข์เพื่อหาการทําลายทําลายเขตจิตของเราที่มี ทรงอรมมหาติปัฏฐานสูตรนี้ตลอดเวลาตั้งแต่อานาปานุสติ หรือเจรณะ 15 จัดเป็นการงานสําคัญต้องครบ 10 ต้องครบถ้วน 4 อิติ 4 กาล 5 นี่เป็นการงานที่เราจะต้องทํา บอกให้รู้ตัวว่าถ้าหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลว อันว่าเมื่อจากการดิ้นชีวิตในทางที่ผิดก็หมายความอาการใดที่เป็นการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมโน อเวลานิกษะครึ่งวินาทีอ้อนึกได้แล้วคือในที่ 4 สถานนี้ท่านกล่าวไว้ในอังคุตตรนิกาย ปธานะคือความเพียรมี 4 อย่างคือสังวรปธานเพียรระวัง ที่แม่งขัดกับเจตนา 15 ขัดกับบารมี 10 ขัดกับพรหมันต์ 4 ขัดกับการทำลายนิพพาน 5 ขัดกับอะไรล่ะที่ที่บาด 4 อารมณ์ทั้ง <c oughs> เพราะเราศึกษาวันละ 4 เวลา 2 แนว 365 วันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไร ข้อที่ 2 ประหารอนประทานความเพียรละความมันขัดต่อบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไป 3 มหาธิปัตถานะสูตรครบเจตนา 15 ครบบารมี 10 ครบพรหมวิหาร 4 ครบจำๆ นี่จึงจะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจ โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบังไม่ยอมให้ 8 สมาธิตั้ง คือการทรงฌาน 4 ไว้ ท่านฟังกันมาจน ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือ แล้วก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่าง จงสบว่านี่เป็น มีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติ ท่านจึงได้ประโสดาบันรับฟังกี่ครั้งท่านพระเริวัฒน์น้องชายพระสารีบุตรท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ ฟังสับย่อว่าเจธรรมาเหตุปัพภาวาติสังเหตุตงตถาคโตโยนิโรโธจะเอวังวาติมหาสัมมโนพิจารณาตาม เออดูท่านฟังนิดเดียวนี่เออ hey. สกายทิฏฐิตัดได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉา ความโกรธความเยหมบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่มั้ยตัดได้ ตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดซิกามราคะตัดได้แล้วหรือ <c oughs> ปุถจจอารมณ์พุ่งสั่นจิตไม่หวังนิพพานยังสายอยู่ในโลกอื่นตัดได้อย่างอวิชชาคือ ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะ แต่ว่าเป็นคนประเภทปทัพปรมะนี่สําหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างบรรพชานะสําหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาไหว้มันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเรียก ว่านั้นว่าผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบลึกไว้จบนี้ก็ แล้วต่อ